สวัสดีครับอย่างเป็นทางการสิ่งสิ่งที่ใช่เรา on air เลยทั้งไหมีเสียงเราโผล่มาๆแปลกๆ ก็ต้องคอยดูเพราะเอ่อระบบไหนหลายรอบหลาย 6 กุมภาพันธ์ปี 2554 เร็วไหมมั้ยกุมภาพันธ์แล้วพี่ใช่ แล้วคนสวรรค์ยังไม่เชิดเลยนครสวรรค์ยังไม่เชิดเออนคร เอ่อสวยๆสวย 3 คนสะเหอะสะเหอะนะครับอ่าสําหรับคนที่ฟัง 02 338 3589-90 และตอนนี้เราก็มีช่องคอมเมนต์อยู่ถ้าใครอยากจะใส่อืม ไม่ว่าจะเป็นคําถามปัญหาตัณหาหรืออะไรก็แล้วแต่เออเพราะว่ารายการเราคือเค้าเปลี่ยนไปหรือฉันกันแน่ที่ใช่ต้อง typical challenge ก็เสดว่าเค้าหรือเออเธอหรือฉันโอเคโคลงปฏิโลมก็ ใช่มั้ยเค้าเปลี่ยนดีไซน์กันแน่ที่เปลี่ยนบางไปหน้าหล่อๆคงปิ๊นปิ๊นมากเออมันมันจุ้งเกินไปวันนี้จะลองก็เสื้อ อ่ะถือมาเลยให้ชี้หน้าเจเลยนี่เลยนี่เลยเออมาเห็นหน้าพี่วิทยาแทนไม่เป็นไรพี่หนอกจะดูดอ่ะเห็น 3 คนแล้วอ่ะเห็น 3 คนพอดีเลยได้ได้อุ้ยดูดเจจะเอา เห็นเห็นเล่นเออก็เห็นเลยน่าน่าเซเจอย่าๆๆอย่ากันไปแล้ว 90 แล้ว SMS นะครับ SMS มาได้ถ้าเกิดอยากจะ SMS นะครับที่เบอร์ 4221935 4221935 ก็ฝากมาได้หน้าบัตรนามเลยระบบมันเปิดอยู่แล้วนะครับค่ะก็ มาๆๆๆๆเวอร์ชั่นไม่โผล่อ่ะเวอร์ชั่นไม่โผล่เหรอแล้วก็ไปติ๊งทําไมไม่โผล่หรือต้องกลับไปดีเจลองต้อง สวัสดีครับผมสายแรกของวันนี้เป็นใครไม่ได้เลยนอกจากคุณกัสฮัลโหลครับผมครับผมไม่ไม่หมายถึงเสียงที่ทาง เปิดอยู่ฮะแต่ดีเลย์อยู่ดีเลย์อยู่แต่เสียงมันดังมากฟังได้ 2500 นะฮะก็เค้าหรือชั้นตอนแรกคือผมคิดว่าเค้าอ่ะเค้าคนนั้นคือคือคือใครอ๋ออ่ะผมไม่เคยอ่าเมื่อสมัยนึงอ่ะปีอะไรล่ะ 2 ปี 3 ปีอ่ะอ่าก็ประมาณประมาณ 2800 อะไรอย่างคือคืออะไรเกิด ก็คือคบกันค่อนข้างแล้วเค้ามาหากันก็คบกันมันก็ก็อยู่กันไป 2 ปีเลยอ่ะครับผมครับอยู่ด้วยไม่หาเข้าไปไปไปหาอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันตลอดมากกว่าอ๋อครับแล้วก็อยู่กันมาตลอดถ้าแต่เดิมทีอันตอนดอนเอ่อเค้มาก่อนน่ะผมค่อนข้างแบบยังไงดีอ่ะ ค่อนข้างมากครับกับคนเนี้ยมันก็เลยคือเรายอมหยุดไปเลยมากกว่าเออคือเขาก็อยู่นั้นมาครับคือ ครับมันส่วนใหญ่ผมก็ขอรอด้วยตัวเองก็ไม่เป็นคิดว่าเออผมงั้นนิยาย เขาก็ไปอะไรกันเค้าก็ไปอะไรกันอ่าครับแต่ว่าผมเค้าผมก็สงสัยนะผมก็ถามเค้าเออที่คนครับอืมอืมผมก็ผม ก็แฟนเราอ่ะจะให้คนอื่นมายุ่งได้ยังไงใช่ครับเหรอโทษฮะแล้วเค้ามีวิธีถามเรายังไงอ่ะว่าขอให้แบบอยู่กัน 3 คนได้มั้ยเค้าเค้าพูดแบบอืม ก็ตามไปยิ้มดิมด้วยเนี่ยเค้าผมถามเค้าก็บอกเลยว่าแบบเป็นคนก็อืมครับผมแต่ เค้าบอกเออรักมันเออนี่เค้าเออรักเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมเนื้ออ้อเค้าหน่อยเออเออๆอ่าอ่าพอๆไปก็คือสุดท้ายก็คือจบโต๊ะกันไป ผมก็นึกว่างงอ่ะคือว่าไม่รู้ผมหรือเค้าใช่คือเค้าก็อาจจะเอ่อ มันก็ไม่เชิงหรอกคือมันแบบแบบคือคือความความครับครับความความตื่นครับแล้วทํา ด้วยอ่ะครับก็เออจริงมากคือพออืมแล้วน้องเค้าแต่ว่าผมก็โอ้อืมเค้าก็อืม เออก็คือแต่ถามว่าเค้าน้องเค้ามีแฟนมั้ย แล้วตอนนี้นะปัจจุบันตอนนี้ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปเนี่ยคิดว่าเรายังยังยังยังบัดจะ ผมว่าผมหาโอกาสใหม่ๆอะไรน่าจะดีกว่าใช่มั้ยชีวิต 22 ครับ 20 เท่า 23 ครับ 23 นะเพิ่งเออๆไม่ 22 ก็อยู่น้องเออๆแอมโคไว้โอเคอ่ะขอบคุณมาก ครับผมชั้นว่าจิกัสที่จะมาเออนี่คือสิงห์แบบแบบจองไม้แรกแบบจองไม้แรกผัด 1 เลยอ่ะแบบแบบสัปธานเลยอ่า อ๋อครับแต่เอ่อในโทรศัพท์เสียงพี่โหนกก็ดังชัดมากเลยเอออาจจะเป็นเพราะอะไรล่ะเป็นเพราะ ที่วิธีอย่างว่าเอ่อยังยังไม่ออนโดน 2 รอบไม่ๆนะที่พูดว่า เจ้าพอมีเวลาใช่เออโดนคอนโทรลเลอร์วังแต่ไอเรดิโอของเราเราไอ้ด้วยใช่ดิฉันเดี๋ยวฉันให้เค้าตีก้น จะแนวเด็กแนวมากๆแมวเด็กแนวอ่าโชว์ซะนี้เออ เกออีเวลาคุยจะมองจอไม่ได้ทํายังไงมอง คือผมคิดว่ามีทั้ง 2 คือแต่ก่อนแล้วก็จะสมัยครั้งยังเด็กเอ่อก็ยังจะรู้สึกว่าคือเค้าเปลี่ยนเค้าก็ตอนหลังเราเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อเราจริงๆน่ะครับที่ที่ตอนแรกที่เราคิดอ่ะคือเอ่อ คืออันเค้าเปลี่ยนเนี่ยอ่าก็ได้คือบางทีผมคิดว่า ตอนแรกไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับพอคบไปแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋ออ่าเช่นไม่ชอบคนเอ่อสมมุติสมมุติไม่ชอบคนชุมิรีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนแรก แยะมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยไปกันใหญ่ว่างั้นเถอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอืมก็ปล่อยมันคาๆอยู่เงี้ยจะไม่ อุ้ยใช่มั้ยเค้าเปลี่ยนได้แล้วเค้าเปลี่ยนได้ตายแล้วก็ต้องซื้อยกโคมเออก็เวลาเธอสแต๊กอะไรกันเนี่ยเธออะไรเงี้ยโอเคครับอืม มันมันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็อันเนี้ยบอกยากเพราะว่าค่าเค้าเป็นแบบลูกโอนลี่ใช่มั้ยครับเราก็จะคือเค้าก็รับไม่ได้แล้วเรารู้สึกแย่เหมือนกันว่าเอ๊ะทําไมเราไม่ดูตัวเองให้ดีซะก่อน ทำไมเราเปลี่ยนไปจริงๆคือคือเราๆยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยอืมมันพูดยากอืออย่างเงี้ยมันก็จะลําบาก เมื่อไหร่ที่อีกคนนึงที่เรากําลังจริงๆเราใช่มั้ยอืมใช่ครับใช่มั้ยเริ่มจะก่อนอื่นต้องทําสัญญาแวซายกันก่อนนะว่าใครเป็นยังไงครับขอบคุณอ่าจะฟังรายการต่อเนาะสวัสดี ให้มีคนอีกคนใส่ตอนนี้เมื่อเขาเปลี่ยนไปว่าคนเราเปลี่ยนแล้วโอเคครับอีกสายนึงเลย เบียร์มันมีทั้งเบียร์ทั้งเบียร์ไงนะครับเบียร์สดมาจากอยุธยาสวัสดีพี่ๆ3 คนนะเออก็ แล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็ไปฟังเอาฟังย้อนหลังนะฟังให้ครบนะอืมแล้วเหงาแล้ว คิดถึงใครเอยคิดถึงก็ทุกคนน่ะค่ะที่รู้จักไม่น้องๆรุ่นน้องอ่ะเออเป็นไงบ้างละตอนนี้ไป เอ่ออยากเป็นแฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อตอนนี้เปล่าแต่ เขาเป็นพี่โอเคเขาก็ยอมรับอืมเออจริงๆเธอฉลาดหรือเปล่าพี่ชาย ไปไหนไปเออได้อยู่แต่ว่าน้องน้องน้องคนเนี้ยที่ทํางานแต่แต่ ผมรู้สึกว่าความคิดของเขาจะเปลี่ยนครับก็โอเคอันนี้คือ อันนี้ก็อีกคนนึงครับคนนี้แล้วไปตามตัวคุณสวัสดีจ้าโอ้โหไม่คุณ M ไงได้ยินเสียงละคนลุกเลย M ไงเหรออุ๊ยตาอยากจะคิดถึงกับ DSL คืออะไร DSL DSL DSL ไอ้ไอ้ไอ้ speed อ่ะครับ high speed high speed ตัดทํางานสิงตัดอ่ะอ๋ออ๋อมันหรออืมเท่าอ๋อต้องไปอยู่บ้าน ฟังผมฟังย้อนหลังอ่ะครับเอาใส่ฟังย้อนหลัง M ตลอดนี่ M อยู่กับ PA พระขหนงจริงๆเอาไปเลยก็ใช้ พอหน้าใหม่แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแม็กไลฟ์ชนิดสีท่อนยังอยู่ ไม่พี่อาจจะอาจจะอย่างงี้เดี๋ยวคราว กูที่ไหนแล้วนี่อย่าคานนะอย่าท้านะตึ้งๆๆๆตึ้งๆๆๆเอสัปดาห์หน้าโทรหาเอพาเอเอออ๋อท้า 14 เนี่ยอาจจะไปผับ แต่อันนี้เราไม่ได้จัดอะไรใหญ่โตเราจะใช่ป่ะใช่ปาร์ตี้คนโสดเขา เอออย่างนี้ก็ไม่ถือ 4 อย่างนี้ถือว่าไม่สันดานเด็ดๆเล่นๆหรือว่าเป็นแค่เหมือนจะโอเคคุณก็ยังมาได้ ก็มีหลายคนเลยไม่รู้จะบอกเฮ้ยตกลง ไม่มีก็ได้ครับไม่ให้ในเวลา 29.57 ชั้นให้เธอเป็นแขกเลยนะอีนี่นี่ก็วันนี้ 14 ยังมีโทษ 14 ยังมีเวลาอีก 1 อาทิตย์ก็มีเวลา 7-8 คนก็เลิกพอดีไม่มีจริงๆไม่มี เฟซบุ๊กครับคนโสดหาอ๋อเล่นไม่ได้เหมือน ได้ๆต้องบอกรายละเอียดเค้าจะมีโอนตังค์แล้วเออถูกไม่มีก็แล้วแต่ใครจะโชว์ไงโชว์กันเองก็เออ ตัวเล็กกางเกงในตัวเล็กสุดจิ๋วปิ้วโกรธคิดมันอ๋อไม่ถ่ายไม่ถ่ายวันนั้นไม่มีถ่ายเพราะวันนั้นจะเป็นอย่างงี้วันนั้นจะเป็นเหมือนๆเลยหรอไม่พี่ แต่ Pink Mango สนุกสนุกสนุกครับสนุกสนุกคนเออใครๆก็ไปช่วง Pink Mango ผมเห็น 2 คนนั้นด้วยโอเครอบหน้าหน้านุ้งเอมอืม